ไม่รู้โยมไม่รู้แต่ตามหลักมันเป็นอย่างนี้ตามหลักมันเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ใช่รอเรียนจบแล้วปฏิบัติย น, นโยมนะไม่ใช่รอจบอภิธรรมบัณฑิตก่อนแล้วค่อยปฏิบัติก็คือได้ดวงจิตมาก็ปฏิบัติเลยอย่างนี้ได้เรื่องทานมาก็มาปฏิบัติเลยได้เรื่องศีลมาก็ปฏิบัติเลยนะ แล้วที่สําคัญเนี่ยพอเราเอาบริวารต่างๆเนี่ยที่เป็นวัตถุทานที่เป็นบัญญัติเนี่ยเราบูชาหมดแล้วนึกนึกไปนึกมามันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนมันเป็นสภาวธรรมบ้างอัตมาเขาใช้สีสีเป็นประธานของวัตถุนั้นแล้วก็ใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสใช้ผลทพัใช้ธรมารมเสียงอะไรละ่ะ เสียงอาตมาก็บูชาเสียงพระพุทธเจ้าเลยเสียงที่ประกรอบด้วยองค์แปดของพระพุทธเจ้าเป็นดุลพรมหรือเสียงที่เราเปล่งบูชาพระเจ้าก็ได้หรือเสียงของวัตถุนั้นก็ได้อาตมาก็ใช้หมดเลยเพราะว่าถ้าใช้อย่างเดียวแล้วมันก็จะได้น้อยเนาะมันไม่อิ่มอาตมาก็ใช้ทั้งสามอย่างเลยใช้รถใช้ผดทพะใช้ธรรมารลม ธรรมะรมอาตมาก็ใช้ถ้ามีการยกการถืออาตมาก็ใช้ อ, อิริยาบถต่างๆใช้ทุกย่างก้าวที่เดินไปอาตมาใช้ธรรมารมของตัวเองเลยทุกย่างก้าวที่เดินไปเป็นมหาภูสุนน้อมบูชาพระเจ้าแล้วก็นามธรรมของอาตมาเนี่ยซึ่งเป็นมหาภูสุนทั้งหมดเนี่ย อาตมาก็น้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยบุญกุศลที่เกิดทั้งหมดอตาตมาก็อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมารับกันได้เลยแล้วอาตมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยทุกครั้งที่ไปไม่ว่าจะไปที่กุศินรากา็ตามที่ปรินิพานคนมากมายขนาดไหนอตาตมาไม่สนใจแล้ว จะมาสนใจตัวเองว่าจะได้บุญหรือเปล่าแต่มาก็ไข้ควรทั้งๆที่เวลาไข้ควรมีเสียงมากๆเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นค่าสึกต่อกันอยู่แต่แต่มาก็ไม่สนใจไม่สนใจในเสียงนั้นก็มาไข้ควรไข้ควรของตัวเองเนี่ยแหละเพราะเราต้องการบุญเนี่ยเราจะมาค้าบุญใช่ไหมล่ะ เสียเงินไปมากมายนะกว่าจะแลกไอ้ไอ้บุญนี้มาเนี่ยดังนั้นอาตมาจะไม่ให้คนที่เสียนั้นผิดหวังอาตมาก็ค่าควรนะค่ายควรบุญไปค่าควรไปแต่ไม่กล้าโทรมาบอกนะไม่กล้าโทรมาบอกก็มีโอกาสโยมจเจริญบุญอยู่แล้วก็มีโอกาสก็คงจะได้ได้ไ ด, ได้รับฟังได้อะไรเนี่ย อัตมาก็ใช้นามมาทมด้วยซึ่งอัตมาก็ไม่หลงทั้งรูปธรรมทั้งไม่หลงทั้งนามรรมาทมอย่างนี้คงไม่ขัดต่อรูปนามเขาแล้วเนาะ <c oughs> คงไม่ขัดแล้วอัตมาก็ใช้นามประธรรมบูชาพูะเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ยึดติดแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในกุติของอัตมามันเป็นทรัพย์สมบัติที่อตมาสร้างมา ทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางจมูกทางลิ้นทางกายตมาบูชาพระเจ้าหมดเลยส่อประโยคนก้าวได้มาตมาก็ถวายพัด <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าเลยใบยประกาศบูชาพระเจ้าหมดแล้ว <c oughs> แล้วที่สำคัญโยมเวลาที่เราจะใช้เราก็ขออนุญาต <c oughs> เรายึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะเราขออนุญาตที่จะใช้เพราะเราเป็นลูกคนหนึ่งโยมเป็นทายยาทคนหนึ่งเราก็ขออนุญาตใช้เนี่ยสานักงานเนี่ย บูชาผู้เจ้าไม่ได้บอกโยมนะโยมก็บูชาแล้วแหละแต่ตมาเนี่ยบูชาเยอะเพราะตมารู้ว่ามันเกิดดับเร็วอะตอมาก็บูชาเลยบูชาไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยวันหนึ่งอะตมาบูชาได้เยอ ะ, อะเพราะมันเกิดดับไปหมดแล้วของเก่าอะเราไปคิดว่า อย่างเดียว hey. บูชาครั้งเดียวไงอาตมาไม่ใช่อาตมาอย่างเดียวบูชาเป็นร้อยครั้งเพราะมันเกิดดับไปหมดแล้วโยมไอคนเมื่อวานมันดับไปแล้วอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันไข้ควรหมดสมมุติว่ามันบวที่จริงมันไม่หมดหรอกไข้ควรหมดแล้วมองภายนอกบ้างโอ้โหเต็มเลยโยมดอกไม้เต็มเลย ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เราเชี่ยวชาในพุทธคุณนะโยมนะอาตมาไม่ต้องไปเด็ดดอกไม้ที่ไหนเลยไปที่สารนาศดอกไม้เต็มเลยบูชาผู้เจ้าได้อีกเป็นตัวแทนของดอกไม้ทั่วสกุลจักรวาลเลยเอาไปข้างทางเขาอาตมาก็พูดไปโยงขหลับไปอาตมาก็ใช้ดอกมาสตาร์นะแหละบูชาพู้เจ้าไป พูพูดยอมก็หลับไปไม่เป็นไรธรรมาก็ได้นะนี่คือในขณะที่เราไม่ได้ถวายเราไม่ได้ถวายตลอดเวลานะโยมนะเราวัตถุสิ่งของเราไม่ได้ถวายพระและไม่ใช่บูชาพระเจ้าตลอดเวลาดังนั้นสิ่งข้างนอกก็บูชาไปสิมันเกิดจากบุญของเราธรรมาก็บูชาใช่าการได้เห็นเนี่ยการได้ยินเนี่ยการลิ้มรสการถูกท่องสัมผัส การได้กลิ่นทั้งหมดเลยบูชาพระเจ้าได้หมดเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโยมโยมอีทนี่นะมาบอกอาตมาตั้งแต่ปีที่แล้วอาตมาก็ยังยังไม่เข้าใจอะนะ่ะเนาะในอปาทาเล่มที่เจ็ดสิบอาตมาก็ไม่เข้าใจก็ปล่อยไปหนึ่งปีนะถ้าเกิดเชื่อโยมตั้งแต่ตอนนั้นเน่ยป่านนี้ก็ลุ้งไปแล้วนะลุ้งไปแล้ว แต่อาตมาก็มาประมวลทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะช้าหน่อยแต่อาตมาไปแล้วนะโยมนะาร่า <c oughs> บูชาไปแล้วบูชาไปเลยโยมมันได้บุญมันได้บุญแล้วทำให้เรานึกถึงผู้เจ้าตลอดเวลาโยมนะคราวนี้เราก็สิ่งภายนอกต่างๆที่เราเห็นเราสามารถมองได้สองอย่างจะมองถึงคุณแล้วก็บูชาผู้เจ้า ถ้ามองถึงโทษล่ะเมื่อก่อนก็คิดว่าที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาสวนทางเราหรือคนต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเขาประมาทกันเนาะเขามีโลภะโทสะโมหะกันดังนั้นเขาประมาทกันอยู่เราจะไม่ประมาทอย่างนั้นเราก็มีโลภะโทสะโมหะเหมือนกันก็ค่ายควรได้แค่นี้แหละโยมแต่คราวนี้พอมาอ่านสูตร มหาทุกขกขันธสูตรเขาก็กล่าวถึงโทษของกามคุณเนะกามคุณเนี่ยเพราะกามคุณนั่นเองเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจึงเป็นเหตุให้เราได้เกิดมาทำการงานกันแล้วเราก็มีไปยึดติดกับผลของงานว่าเราจะประสบความสาเร็จบ้างไม่ประสบความสาเร็จบ้าง อันนี้เป็นเหตุจากกรมคุณที่เราได้มาเกิดมาทำการงานกันเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วมาขัดแย้งกันในปัจจุบัน mm. เกิดากกรามคุณทั้งนั้นเลยที่เราเห็นว่านักโทษเขาถูกลงโทษกันเนี่ย mm. โทษของการมคุณทั้งนั้นเลย mm. การมคุณเป็นเหตุโทษของการที่เรามาประกอบประกอบกายทุจริตวิจีทุจริตมโนโทุจริตเนี่ยเิดจาก กามาคุณเป็นเหตุทั้งนั้นเลยดังนั้นอาตมาก็ไปอ่านแล้วก็อาตมาก็สงสัยเนาะเขาเขียนว่าคุณของกามคุณของกามมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่รับรู้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เขียนไว้แค่นี้อาตมาก็เลยไปถามเอ๊ะถ้าเกิดถ้าจะพูดถึงคุณเอ๊ะถ้าจะพูดถึงโทษทำไมกล่าวถึงคุณพระอาจารย์ก็บอกว่า ให้รู้ว่ามันมีคุณอยู่แต่นิดหน่อยเองมันนิดหน่อยเท่านั้นแต่โทษนี่เยอะแยะมากมายเลยอาตมาก็เลยเอามาให้ควรอ๋อได้มากกว่าเดิมคราวนี้จากเมื่อก่อนเห็นโทษหน่อยเดียวเดี๋ยวนี้ก็เห็นโทษเพิ่มมากขึ้นจากการาที่เรามีพระพุทธเจ้าในใจ พระเจ้าอยู่ในใจของเราตลอดเลยจะมองคุณก็ได้ก็บูชาพระเจ้าก็นึกถึงพระเจ้าอีกจะมองโทษก็คําสอนนั้นนมาเตือนสติเราเตือนใจเราคือมีพระเจ้าอยู่ในใจตลอดคราวนี้พุทธคุณมันขึ้นเลยนะโยมนะพุทธคุณมันขึ้นทานต่างๆศีลต่างๆภาวนาต่างๆที่เราหนาแน่นเราสามารถหมุนเป็น สมถะได้หลายแบบเลยนะโยมนะอาจะเป็นจาคานุสติก็ได้เพราทานกับศีลของเราหนานแน่นแล้วเป็นที่เหมาะแก่การจอดวิปัสสนาแล้วเนาะเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะแก่การพิจารณ า, เ, าเพราะทานศีลเราหนานแน่นจะเป็นศีลานุสติก็ได้พุทธานุสติไม่ต้องพูดถึงเราจเจริญตลอดอยู่แล้ว มีผู้เจ้าอยู่ในใจตลอดคําสอนของผู้เจ้าอยู่ในใจเตือนเราตลอดอาตมาจะคิดเสมอว่าความคิดของเราเนี่ยมันผิดจริงๆเลยเวลาอาตมาไปบอกคนอื่นเขาก็ไม่ไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาคิดว่าความคิดของเขาเนี่ยมันถูกไงแต่อาตมาบอกว่าความคิดของอาตมาเนี่ยมันผิดแล้วของโยมก็ผิดเขายิ่งไปใหญ่เลยเขานี่ต่อต้านไปใหญ่เลย ก็ถ้าเกิดมันถูกจริงเนี่ยป่านนี้เราก็ไปถึงไหนแล้วเรามันบรรลุไปแล้วก็เลยต้องมาตั้งว่าทุกครั้งที่เราคิดเองผิดหมดคราวนี้เราก็เลยมาคิดในพระไตรปิฎกคิดตามนั้นเลยมีอะไรก็คิดตามนั้นแหละคิดมันจะออกไปหน่อยแต่มันไม่ออกนอกหลักคิดตามนี้แหละถูกต้องแน่ นะคิดตามพระพุทธเจ้าเนะ่เรามีพระเจ้าอยู่ในใจแน่นอนแล้วเราพร้อมที่จะเป็นสิทธินะ์แล้วอย่างเราต้องพร้อมที่จะเป็นทหารด้วยนะโยมนะไม่ใช่เหตุการณ์ปกติพรนะาจารยจะบอกบ่อยมากอตมาก็เพิ่งเข้าใจนั่นแหละว่าเราเป็นทหารจริงๆโยมเราต้องเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกาย เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมันเป็นข้าศึกมันเป็นศัตรูมันเป็นทหารที่จะคอยมาให้เราเนี่ยเป็นทาสของเขาตลอดเลยถ้าเราไม่ถือดาบเนี่ยแพ้ตลอดเลยต้องเริ่มถือดาบแล้วอาตมาก็เริ่มถือดาบแล้วมันมาที่ตรงไหนเราต้องคอยระวังแล้ว แต่ไม่ใช่ถือดาบแล้วมันจะชนะตลอดนะโยมนะขนาดมีการใครคขวนตลอดเล ย, ยปิดมุมทุกมุมเนี่ยมันก็ใช่กำลังของทหารของเราที่ฝึกมันยังไม่เข้มแข็งไงไอทานบาลมีโยธาที่พระอาจารย์บอกเนี่ยทหารของเราก็ยังไม่เข้มแข็ง ศีลของเราก็ยังไม่เข้มแข็งดังนั้นถ้าเกิดมันเข้มแข็งมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมาคิดว่าทหารไม่ว่ามาจะรูปแบบไหนเสนาจะมีสักกี่กองมันสู้ได้แน่นอนดังนั้นต้องให้มันหนาแน่นน่ะต้องตัดต้องตัดนะตัดสังคมตัดยากอีกเนาะ ตัดลูกหลานก็ยากอีกนะดังนั้นถ้ามันจะเป็นไปได้เนี่ยเรื่องทานเรื่องศีลถ้าจะมันเป็นไปได้นะสำหรับอาตมาเองหรือสำหรับญาติโยมเองทานที่ตรงไหนมันยังพลาดอยู่ต้องย้อนกลับ ย้อนกลับย้อนกลับหลังก็คือแก้ไขเดี๋ยวหาว่าฟงซาดเองเนาะกลับไปแก้ไขอดีตหมายถึงว่าถ้ามันผิดพลาดเราก็สมาทานว่าจะไม่ทําอย่างนั้นอีกถ้ามันถูกแสดงว่ามันต้องกําจัดได้เลยนาะโยมเนาะทานมันกําจัดความตณิชได้เลยนะกําจัดโลภะโทสะโมหะได้เลยนะโยมนะ เพราะในขณะนั้นจิตใจมันเป็นมหากุศลมันจะกําจัดไม่ได้ได้ไงถ้าทานหนาแน่นเลยโยมทานหนาแน่นน่ะมันเป็นเป็นอะไรโยมสมาธิอ่ะจารคานุสติน่ะถ้าทานหนาแน่นน่ะและศรัทธาขึ้นปื๊ดเลยนะโยมนะสามารถที่จะน้ําตาไหลได้อ่ะ น้ำตาไหลได้ในขณะที่เรามีผู้เจ้าอยู่ในใจเราจะมาสวดปาติโมกเนี่ยเป็นปีที่แปดไม่เคยซึ้งไม่เคยน้าตาไหลเลยวันนั้นลองเอาไปสวดดูแต่คิดใหม่เมื่อก่อนเราคิดว่าเราทวนปาติโมกแต่วันนี้คิดใหมเ่เมื่อเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวัน เมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาลองคิดใหม่ไหนลองคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจสิแล้วลองคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งพระสุรเสียงบอกเราทุกตัวอักษรสิคิดใหม่อาตมาก็ใช้วิธีนี้นะทุกครั้งที่เปล่งไปก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปล่งน้าตามันไหลยงขนมันลุก เราให้พระพุทธเจ้ามาบอกเลยบอกศีลของเราพินาศีลไปนี่คือถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเนี่ยจะมารับรองได้ว่าในที่ที่คับแคบของโยมมันจะไม่คับแคบอีกต่อไปแล้วโยมจะมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างหนาแน่นด้วยการคร้ควรวญด้วยการวิจัยเป็นประจำ อะไรวันนี้เห็นสมควรกับเวลานะครับหมดแล้วไม่หมดอาจอยกให้อาจารย์พิดว่ามากำลังฟังนๆอยู่เลยจบเลย ค, คือมุมมุมมองในการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราเข้าใจคาสอนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการใช้จริงๆิถ้าเราอย่างที่มาได้ยินคาว่าถ้าเราสวดบอกว่าเราสวดเรื่องศีลและมีความสาคัญจริงๆรว่าพระพุทธเจ้ากำลังกล่าวสอนแล้วสมว่าถ้าเราฟังธรรมที่เป็นไปกระสูด ต, ต่างๆ แล้วมีความสำคัญว่าพุทธเจ้ากำลังเตือนเราจริงๆอยู่แล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงในขณะที่สมมุติว่ามีใครก็ได้มาอ่านพระสูตรนี่นะอย่างเช่นว่าเอวามสุตังเยกังสมยังปะกวาพารานัสยังวารติสิปนิยเป็นต้นเนี่ยนะดเวเมเพเกเวอันตาบอยังธรรมจักรนี่นะเราก็มีความสาคัญจริงๆเลยว่าตอนนี้พุทธเจ้าสอนเรากาลัง มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเรานะบอกสอนทุกถ้อยทุกคำทุกเรื่องเธอจงทาอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งนี้ควรแก่เธอทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายพระเจ้าต้งบอกบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยกิจอันใดที่ตถาคดพึงจั ก, กระทาแก่เธอกิจอันนั้นแต่ถาคดทำแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหม เธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือผิดหวังในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีพระสอนแก่เธอสําหรับของของเราแก่เธอทั้งหลายถามว่าทุกวันนี้ที่เราต้องมาโศกมาเกิดแก่เจ็บตายมาผิดหวังกันเนี่ยอันนี้เพราะเพราะว่าเราฟังพระภาษาสดาไม่ออกนะว่าภาษาสดากำลังมุ่งหวังและกาลังกล่าวเตือ น, นอะไรเราอยู่ ใครก็ได้นะถ้าศึกษาคําสอนแล้วมีความสําคัญว่าพระศ า, าสดากําลังพร่ำสอนท่านบุญนั้นตลอดทําได้ไหมไปหนะ้าที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นผู้ที่ไม่ว้าเหวแล้วมีพระศ า, าสดาคอยบอกกล่าวตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าทําได้อย่างเนี้ถือว่าเป็นไม่ธรรมดาแล้วคือไม่ว่าจะอยู่หนะ้าที่ไหนมาเคย ไฟังโยมยิ่งการจะพูดว่าถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็จะก็ก็พร้อมแม้จะเดินคนเดียวก็พร้อมเนี่ยมาก็เลยทำให้นึกว่าถ้าเดินแล้วมีพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยพร้อมทุกที่จริงๆพร้อมจริงๆเพราะจักเป็นคนไม่ว้าเหวยจริงๆเิงนะพอพระพุทธเจ้าจะคอยบอกคอยเตือนคอยแนะนำตลอดว่าคือเมื่อเข้าใจพุทธประสงค์ แล้วมีพระเจ้าคอยบอกทุกเรื่องแล้วชีวิตจะห่วงอะไรใช่ไหมเมื่อพระเจ้าไม่เคยละท่านผู้นั้นเลยอย่างเงี้ยแล้ท่านผู้นั้นก็ไม่เคยล่เว้นพทธเจ้าเลยพระเจ้าจักไม่ล่าเว้นคนดีและคนดีจักไม่ละเว้นพทธเจ้าใช่ไหมโดยหลักคําว่าอรหังเนี่ยเนี่ยคือความหมายตรงเนี้ยตรงที่บอกว่าทําอย่างไรหนอที่จะมีพระเจ้าอยู่กับเราเราอยู่พับพระเจ้าได้จริงๆถ้าอยู่ได้จริงๆเนี่ย พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าทรงแนะนําแม้วิธีคิดทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำพร่ำสอนตลอดในคําสอนต่างๆถ้าไหลยอยู่ในใจได้อย่างนี้แปลว่าท่านผู้นั้นน่ะได้ดีนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหรือขณะใดนะถ้าพระพุทธเจ้าหลุดจากความรู้สึกนะไ ม, ไม่มีคนบอกกล่าวเราเราก็คิดเองนะเราก็คิดเองตลอดแล้วความคิดของเราเนี่ยมันมีมันเป็นอันตรายนะ วพราที่ผ่านมาในสังสารวัตเราไม่มีคนบอกเรานะแต่คนที่เป็นสาวกสาวิกาของพระเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นบริษัทของพระาศาสดานั้นเขามีพระาศาสดาเป็นเครื่องนําไปมีพระาศาสดาเป็นเป็นผู้นําทางตลอดคําว่านําทางในที่นั้นคือนําทางทางด้านกายด้านวาจาด้านใจใช่ไหมกายกรรมวจีกรรม ม, นมนโนกรรมที่เป็นไปกับพระธรรมคําสอนไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่บอกว่า เออเราจะต้องเดินตามเราจะต้องเดินตามใหม่ๆมันก็แค่กระตุ้นเตือนเจตนาแบบนี้นะมันยังไกลพระเจ้าอยู่นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราปูอาสนะให้พระศาสด า, าประทับในในใจเราได้แล้วเนี่ยแล้วแล้วเราเข้าใจบริบทของคำสอนได้ทั้งสิ้นแล้วเนี่สามารถสรุปประเด็นคำสอนได้เพื่อจะดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วเนี่ยตรงนี้สาคัญที่สุดนะอ่านมากศึกษามากเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ แต่ถ้าเราสรุปเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีทั้งขึ้นมาทันทีเลยมันจะเพียงแค่เดินวนๆอยู่นั่นแหละแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราศึกษาจนเราเข้าใจบริบทของคําสอนพอสมควรต่อการที่จะดูแลกระแสชีวิตของตอเราเองแล้วเราก็ฟังศึกษาอย่างต่อเนื่องก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็คือมีพระพุทธเจ้าคอยคัดกรองในการบอกกล่าวเราตลอดบอกคําว่าบอกกล่าวตลอดก็แปลว่าเวลาเราจะทําสิ่งใดจะพูดสิ่งใดหรือแม้จะคิดเรื่องใดๆก็แล้วแต่ จะเสมอเหมือนหนึ่งว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรใช่ไหมสิ่งนี้ทําไปแล้วจะเป็นไปเพื่อทุกเนีจะเป็นไปเพื่อชาติที่ทุกชราทุกขพยาธิทุกข์เป็นต้นสิ่งนี้ถ้าทําแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยการออกจากชาติชราหมรณะเป็นต้นอย่างนี้ก็เริ่มจะเดินตามคําสอนได้ได้ชัดขึ้นฉะนั้นใครที่ใกล้ชิดพระเจ้าได้ท่านพูดนั้นก็มีความสุขนะความสุขที่ชีวิตมันไม่ว้าเหว่ ถึงบอกว่าเคยถามพระให้ศึกษาไปเรื่อยๆค่อยๆบอกมุมคำสอนแนะนำวิธีคิดวิจัยเอามาใช้ไปเรื่อยๆแล้วถามบอกว่าวันนี้ท่านพร้อมหรือยังถ้าท่านจะเดินอยู่คนเดียวมันโยมยินการบอกว่าตักวันหนึ่งถึงแม้จะเดินคนเดียวก็พร้อมมันก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆใช่ไหมรีบคำสอนคำสอนออกมาว่าถ้าเราเดินเดินไปคนเดียวจริงๆเล ย, ยนี่นในชีวิตซึ่งมันต้องเดินอยู่แล้วเนี่ย แล้ววันนั้นเราจะมีพระเจ้าเ ป, เป็นผู้คอยชี้นํำเราได้อย่างแท้จริงไหมตรงนีน้อันนี้เอาไปคิดเพราะว่าการศึกษาทั้งหมดที่เรามานั่งเรียนนั่งพินิษพิจารณากันเนี่ยเป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะอยู่คนเดียวได้ น, นั่นเองแล้วก็มีพระเจ้าเป็นผู้คอยบอกจนเราเข้ามีความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ลุ่มหลงด้วยเนาะเป็นการที่เข้าใจการกระทําไปแล้วก็มันก็เป็นไปกับคําสอนได้อย่างถูกต้อง ถามว่าทีนี้ถ้าเรามามองมาพิจารณาว่าอย่างกรณีที่อามาพูดแต่ทีแรกที่ใช้คําว่าเดี๋ยเอามาไปนึกถึงอยู่มากที่สุดก็ตอนที่ว่าตอนสถานที่สถานที่ปริยนิพพานของพระพุทธเจ้าคือถ้าไปทีแรกไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเป็นต้นเหล่าเนี้ในความรู้สึกในการที่เรา ได้ได้มุมมองถ้าข้อมูลเราน้อยหรือข้อมูลเรายังคิดไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยมันก็จะคิดอีกมุมหนึ่งเอามาได้นึกถึงมีโยมคนหนึ่งก็บอกเวลาไปเห็นโยมคนหนึ่งร่งร้องไห้เอามาก็ถามว่าเธอร้องไห้ทําอะไรเธอบอกสงสารพระพุทธเจ้า <c oughs> อันนี้ตามตามความคิดของเธอใช่ไหมก็<ล>สงสารพระพุทธเจ้าถามสงสารไงพระเจ้าโหเกิดเธอสั่งไกลเลยจนนุ่นลุมพินีนน ใช่ไหมไปตัดสรุปก็อีกที่งไปสอนพระธรรมก็อีกที่หนึ่งแล้วต้องเดินทางเยอะกันดูที่มาตายแบบนี้เถต่ว่า ม, <c oughs> มองก็มองเออมันก็ทำทำให้เราคิดอีกนะว่าคนเนี่ยจะคิดไปตามข้อมูลที่ตนเองได้นะหรือสิ่งที่ตนเองคิดเนะี่ยซึ่งก็ไม่เหมือนกันจริงๆมีพระเถระรูปหนึ่งมาย้อนเมื่อสักยี่สิบกว่าปีนะ ท่านไปที่นี่ถ้าท่านมาเล่าให้ฟังท่านบอกโอ้โ oh, ห oh, นึกสังเวชสลดใจท่านใช้ภาษาของท่านเนี่ยนะโอ้โหพระเจ้าเนี่ยเกิดก็ที่ดินเลยเนะใช่ไหมเวลาไปตัดสรุปก็บนแผ่นดินอีกแล้วแม้กาการแสดงธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแม้ปริทิพานยังมานนอนปริทิพานแบบนี้เนะ่ท่านก็บอกโอ้โ oh, ห oh, น่าสังเวชสลดใจนะท่านก็พูดตามท่านแต่มามาคิดอามาก็บอกว่า ปริญญาภานของพระบรมศาสดามันคือเป้าหมายนี่ยพระบรมศาสดาบอกอะไรพวกเราบอกบอกว่าเนี่ยการนอนแบบ ต, าตถาคตโพธิสัตว์เป็นการนอนแล้วไม่ต้องลุกมาในสังสารวัฏอีกฉะนั้นการนอนอย่างนี้เป็นการนอนที่สงบเป็นการนอนที่เย็นใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้มุมนี้มันได้รับความสดชื่นว่าสักวันหนึ่งเราจะนอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาอ แต่ถ้ามาคิดแบบคนไม่ค่อยมีข้อมูลบอกว่าแล้วเมื่อไร่เราจะนอนแบบนั้นได้แล้วใครจะเป็นคนบอกเราแล้วลมหายใจเราขาดถ้าลมหายใจเราขาดใช่ไหมถ้าเรากลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่ได้ศึกษาคําสอนถ้าเราไม่มีพระเจ้าบอกหรือไม่มีบัณฑิตบอกไม่มีท่านผู้รู้คําสอนของพระศาสดามาบอกแนวทางคําสอนแล้วเมื่อไหรเราจักได้นอนแบบนี้ เพราะการนอนแบบนี้เป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นความปลอดโปร่งเป็นความโล่งเป็นความเบาเป็นการทิ้งขันธภาละพระาศาสดาบอกว่าที่บอกดูก่อนอานอนเราเหนื่อยนักเราจาักนอนจากบ้านของนายจุนท่า ก, กัมมะลาบุตรมาถึงที่ปรินิพานพระาศาสดาหยุดยี่สิบห้าครั้งบอกหนักมาก ทำไมพระบรมศาสดาจึงกล่าวสังเวคะยะอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพื่อต้องการเตือนบอกว่าเราตถาคตบำเพ็ญบารมีสาสบทัศมาเพื่อเธอเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าจะได้มาถึงสัพพัญยุตยานเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าทานบารมีเป็นต้นของพระศาสดามีฝั่งที่ลึกมีฝั่งที่ลึกมาก พันธะภายนอกทั้งหลายที่ตถาคตมีในสังสารวัตรที่ผ่านมานั้นมีไว้เพื่ออุปการะแก่ผู้อื่นเท่า น, นั้นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นสรีระทั้งสิ้นหรืออัตภาพทั้งหมดที่มีนั้นก็เพียงมีไว้เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นชีวิตที่มีไว้ก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นสรุปก็คือทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกและชีวิตก็มีไว้เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นเท่านั้น มองด้านทานบ ბ รมีของพระบรมศา ส, สดาพระศาสดารำสร้างบารมีมาในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีฝั่งลึกมากๆเอาดินมาเทียบก็ไม่ได้เอาน้ำไหมที่บอกว่าให้เนื้อเป็นทานจนดินพ่ายแพ้ให้เลือดเป็นทานจนน้าในมหาสมุทรทั้ง4ี่พ่ายแพ้ให้ตาเป็นทานจนดวงดาวบนท้องฟ้ า, าพ่ายแพ้แล้วก็ให้ศีรษะและเมารีเป็นทานจนขุนเขาสินเนรุพ่ายแพ้เนี่ยถ้าเรามององี้บอกว่า คือเอามาวัดไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าให้มีประมาณเท่านี้ให้เนื้อประมาณเท่านี้ให้ตาประมาณเท่านี้ให้เลือดประมาณเท่านี้ให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฟันให้หนังมีประมาณเท่านี้เท่านี้มันวัดไม่ได้ไงคือว่าเอาแผ่นดินมาวัดก็ไม่ได้เอาน้ำมาวัดก็ไม่ได้เอาภูเขาเอาดวงดาวบนท้องฟ้ามาวัดก็ไม่ได้นั่นคือจึงบอกว่าเมื่อบุคคลที่ ไม่กล้าทั้งหลายเมื่อคิดในเรื่องนี้แล้วก็เกิดความกลัวกลัวบา ร, รมีของพระศ า, าสดาแค่คิดก็กลัวแล้วไม่ต้องพูดถึงการกระทําแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหการการที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยการจะได้มาซึ่งสัพพัญญตยานกว่าจากมาได้นั่งเรียนพระธรรมวันนี้ต้องแลกมาขนาดนี้มันสะเทือนใจอย่างนี้ไง เนี่ยกว่าเราจะมาอ่านสติปัญญากว่าจะมาอ่านเมื่อกี้ที่ท่านมหาบอกว่ามหาทุกขาขันธสูตรหรือจุลทุกขาขันธสูตรกว่าจะได้ยินสูตรเนี้ยท่านต้องภาคเพียนถึงปัณ น, นี้ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเพียนมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมเรามามีโอกาสแล้วก็มาศึกษามาฟังกันโดยไม่ต้องใช้ความเพียนอะไรมากเลยแต่เราก็ได้ฟังได้ได้เรียนกันแล้วแต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังของสูตรเนี้ยกว่าสูตรนี้จะอุบัติเกิดขึ้นมา กว่าวินัยยปิดก2อ0 0มพันพระธรรมขันพระสุตตันตปีดกสอ0 0มพระวิธรรมปีดก4ี่หมพันพระธรรมขันกว่า8 000, 4, 000ป0 0 0พันพระธรรมขันจากอุบัติเกิดขึ้นมาให้เราได้ศึกษากันเนี่ยทำไมต้องแลกมาขนาดนั้นนนเวลาอ่านแต่ละทีมันจึงมีความรู้สึกถ้าเราไม่คิดถึงเหตุเห่งการณ์ได้มาจะมันจะศรัทธาจะพุ่งแรงได้ยังไงใช่ไหม นั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่ละคําสอนกว่าเราจะได้ฟังกว่าเราจะได้อ่านเนี่ยต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยต้องแลกมาด้วยชีวิตแลกเลือด เ, น, อเนื้อนะแล้วก็แลกมาด้วยสังสารวัตรอันหาเบื้องต้นและที่สุดแทบไม่เจอเลยเนี่ ย, ยสี่สงค์ไข่ก็ยี่สิบประสงค์ไข่ในถ้าเรามองดูเนี่ยแล้วแล้วถ้าเรามองดูในรักหนันี้เราจะได้เห็นความสําคัญของคําสอนว่าหูพวกเรามาอ่าน ใช้ความเพียรไม่ต้องมากอย่างท่านเลยใช่ไหมแต่มีคนเพียรให้แล้วถ้าลองคิดดูว่าถ้าจะให้เราเป็นผู้เพียรอย่างท่านเพื่อจะทําให้คนอื่นได้รับความสะดวกอย่างนี้เราก้าวไหมพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแต่ละองค์เนี่ยขนสัตว์หรือสัตว์ไปนในชั้นคําสอนนี่นะท่านบอกว่าแปสิบสี่อสงไข่นับเป็นแปดสรอบเนี่ยสัตว์ขนสัตว์หรือสัตว์พ้นทุกข์ อันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าตอนที่พระเจ้าขนออกไปนี่นะแปดสิบสี่เนี้ยอสงไขที่เลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบศูนเนี่ยเนะี้ยที่สัตหีบประมาณไม่ได้ที่ได้บรรลุเนี่ยแต่กวาดเราไปไม่ได้หลุดเลยเราหลุดวงจรตรงนั้นนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดหมายความว่าในช่วงที่ท่านทรงพระชนอยู่เนี่ยหลุดช่วงนั้นแต่ในช่วงนี้ในการนี้ยังเหลืออยู่สองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ เราจะติดไขยนั้นไหมติดไข่แปดสิบสี่อสงไขนั้นไหมถ้าไม่ติดพระองค์ก็ยังมีมหากรุณาที่คุณบอกว่าจะสร้างอัธยาศัยพวกเรานั้นฝากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วเรารู้พุทธประสงค์ไหมถ้าไม่รู้พุทธประสงค์นะเราทุศีลเนี่ยเราก็หมดโอกาสนะถ้าเป็นพระยังมาเนี่ยนะถ้ามาไปทุศีลซะเองเนี่ยยุ่งเลยยุ่งแล้ว ออกมาก็พลาดแล้วโอกาสที่จะเจอพระเจ้าอีกเ อ, อเกี่ยวในเรื่องของอันตระกับเนี่ยอีกพระเจ้าองค์นี้แล้วองค์ต่อไปเนี่ยถ้าหลุดนี่ก็อันนี้ก็ว้าเว่แล้วนั้นทุกคนเนี่ยวันก่อนที่นั่งเคยนั่งคุยกันเรื่องอสงไขทั้งหลายเริ่มมานั่งคิดว่าเราจะตั้งหลักยังไงทุกคนก็เริ่มแล้วเริ่มวางแผนนะ ถ้าถ้าหลุดพ้นในพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ได้ก็ก็นับว่าดีแต่ถ้าไม่ได้แล้ว่เราจะเดินทางไปเฝ้าพระธเจ้าองค์ต่อไปใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าในการที่มีศาสนาของพระชิฐเจ้าเ้าก็คิดออกได้ดีอยู่เราก็ต้องมานั่งคิดดูวิธีคิดง่ายๆนะในขณะที่เราไปอยู่กลุ่มคนที่ไม่รู้จักพระธรรมคําสอนเลยตอนนั้นน่ะพระธรรมยังหนาแน่นในใจเราไหมแข็งแรงไหมเอาแค่ปัจจุบันนภพนี้เราก็จะเริ่มรู้ แต่ถ้ามันยังเพิดเพลินลงไหลได้ปื้มไบกับคนอื่นกันอันนี้แปลว่าเราไม่แข็งแรงนะต้องรีบมาไข้ควรแลยเนี่ยเอามาไปสถานที่เวลาเหมือนนิดหน่อ ย, เ, ยเอามาไปสถานที่แฟนกูรูเนี่ยไปสถานที่แสดงสติปฐานสูตรคือพออยู่นะสถานที่บริเวณเหล่านั้นทั้งหมดแม้แต่อยู่ในเดนลีเนี่ยก็ นึกถึงสูตรทั้งหลายที่พระเจ้าแสดงแล้วก็ความพระสูตรต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มเด่นชัดเพราะในบรรดาพระสูตรทั้งหลายที่จะมากล่าวมากที่สุดคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสแสดงเนี่ยไม่ตามกว่าห้ารอบแล้วที่สาธยายสแสดงมาในด้านของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะท่านนับรอบนี้ที่ยังไม่ทันจบก็จะเป็นรอบที่หแล้ว ก็จึงเป็นสูตรที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องมากที่สุดแต่ในชีวิตไม่เคยไปสถานที่นี้เลยเพิ่งจะไปมาเนี่ยเพิ่งจะไปมาเนี่ยพอไปสถานสถานที่จริงๆเอามาก็นึกนึกถึงสังคมของชาวแคว้นกูรู้ทั้งหมดเลยแต่เนี่ ย, ยจากการศึกษาคําสอนแล้วมาก็เริ่มวิจัยนั่งคุยนั่งนั่งนั่ง่ใจว่า โอ้โหตามสถานที่ต่างๆที่บอกว่าประชาชนในแคว้นกุรู้นั้นเน่ยเขามีความเหมาะสมยังไงก็ไล่ามาแต่ประวัติในทั้งด้านของจากตั้งแต่ประวัติของพระเจ้ามันธาดุลาเป็นต้นมาตามลําดับแล้วก็มาชนที่อยู่ในแคว้นนั้นมาจากอุตละกุรู้ประเทศเออทวีปย่างไงพอมาถึงนะั้สถานที่ตรงนี้เบ็ดเสร็จที่อยู่ตุมาการยาวนานมาถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยอามาก็เริ่มคิด ก็ถามพระท่านว่าเอาพระเจ้าแสดงสติปัฏฐานสี่ที่อื่นก็แสดงแล้วก็แสดงที่แคว้นกุรู้ต่างกันตรงไหนใครตอบได้ไหมต่างยังไงที่อื่นก็แสดงใช่ไหมแล้วแสดงที่แคว้นกุรู้ก็แสดงและสติปัฏฐานสี่ที่แคว้นอื่นแสดงหรือที่ที่สาวถีก็แสดงเชตาวันทั้งหลายเหล่านี้นะที่ ถ้าสรุปแล้วก็คือว่าสติประฐานสี่ก็สแสดงตั้งแต่สแสดงธรรมาจักก็มีสติประฐานสี่อยู่แล้วแล้วมาสแสดงที่แคว้นกุลูเนี่ยมันต่างกันยังไงต่า ง, างยังไงต่างหรือไม่ต่างยอมไมาต่างไหมพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อเจอชาวแฟนกุรูรัตแล้วพระศ า, าสดาบอกว่าเหมือนเจอพระอบทองคำใช่ไหมพระเมื่อพระองค์ได้พระอบพองคําแล้วเมื่อพระองค์มีรัตนะสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมศีลเนี่ยเป็นรัตนะนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติปัฏฐานสี่สมมาปัฏฐานสี่ที่บาทสีนสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรคมีองค์แปด โพธิปักคียธรรมเนี่ยเป็นรัตนะอันปณิสุ์รัตนะอันเลิศพระองค์นั้นเป็นธรรมราชาคำว่าธรรมราชิกาสะโถมสะโถของพระรามราชาเนี่ยนะพระเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นราชาของพระธรรมใช่ไหมเป็นเจ้าของธรรมและเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของธรรมเนี่ยก็หาว่าพระอบไหนที่จะเป็นพระอบทองคาเหมาะเหมาะสมที่จะรองรับรัตนะอันเลิศรัตนะอันปณิสุ์รัตนะอันสูงสุดเนี่ย พอพระบรมศาสดาไปเจอแฟนชาวแฟนกุรู้รัตเนี่ยนะอุภิกษุภิกษุณีบาศกบาสิกาในแคว้นนั้นน่ะพระองค์ก็โอ้โหเนี่ยได้รัตตนาอันเออได้ได้พระอบอันดีแล้วพระองค์ก็เลยเอาได้พระอบนั้นมาก็เลยบรรจงใส่รัตนะที่มีค่าลงไปชั้นใดก็เริ่มมาคิดว่าโอ้คนในแคว้นนั้นเน่ะทั้งว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกบาสิกาเขาจัก สนธนาไต่ถามกันในเรื่องของสถิปถัญญาสรุปก็คือว่าเขาเจอหน้ากันเ็าจะไม่คุยเรื่องอื่นสรุปแล้วก็คือรรมปฏิสันธานเกาแข็งแรงมากมันเลยกลายเป็นชุมชนที่น่าจับตามองมากแล้วก็พระธรรมาถาจารย์พระดีกาอาจารย์ขยายจนลึกลงไปเลยว่าแม้แต่ห้างร้านหรือที่กรอได้ใช่ไหมถ้าสรุปก็คือแม้โรงงานเนี่ยโรงงานเย็บตัดตัดเยอะผ้าทั้งหลายเลยเนี้ย เขาก็ไม่ใช่ทำงานกันอย่างเดียวแต่เขาจะสนทนากันเรื่องการเธอมณสิการสติปัฏฐานหมวดไหนแม้ท่าน้าที่คนไปตักน้ํานะันนะบรรดาพวกที่เป็นแม่เรือนทั้งหลายเลาวนี่นะหรือว่าผู้หญิงทั้งหลายที่ไปตักน้าที่ท่าน้าเวลาเจอหน้ากันเขาจะถามบอกว่านี่เธอนี่แม่เธอจเจริญสติปัฏฐานข้อไหนแต่ถ้ามีใครบอกว่า โอ้ oh, ช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินไม่ค่อยได้เจริญเลยเขาจะพากันมาล้อมเลยนะแล้วก็บอกนี่เธอชีวิตของเธอเนี่ยประมาทเธอมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเน่ยชื่อว่าตายแล้วเหมือนคนตายแล้วนะก็จะพยายามอบรมพรัฒนสอนแนะนำํำพอแนะนำเบสเสร็จอยู่ต่อมามาอีกวันหนึ่งไปสอบถามถ้าเธอบอกโอ้เจริญแล้ว ก็จะพากันสรรเสริญว่าพระบระมาศ า, าสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมานเพื่อประโยชน์แกเ่เธอโดยแท้เป็นต้นก็ให้กำลังใจกันในลักษณะอย่างนี้แล้วก็พูดพาดพิงไปถึงสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมที่ว่าเป็นนกแขกเต้า อ, อยู่ในอยู่ในสำนักของภิกษุณีที่ว่านายช่างก็มาพักแล้วเขาลืมเขาไว้ภิกษุณีก็เห็นว่าเธออยู่ในสำนักของบัณฑิตอยา ก, ก น, นั้นเลยก็เลยสอนสติปัฏฐานด้วยการให้มนุิการอธิกา ถ้าถามบอกว่านกแขกเต้าตัวนั้นก็จะต้องถูกข้อมูลอย่างดีนะมีการเปรียบเทียบมีการบอกเปรยตลอดเวลานะถ้าอย่างนั้นเนะี่ยธรรมสัญญาจะเกิดขึ้นก่เธอได้ยังไงใช่ไหมธรรมสัญญาของนกตัวนั้นจะเกิดได้ยังไงในขณะที่มีเหี่ยวเฉียวเธอไปปุ๊บเนี่ยแล้วต่อมาก็ภิกษุณีเหล่านั้นน่ยสมณีรีเหล่านั้นก็พากันเคลือบเอาไม้เอาไม้คว่างแล้วก็ตกลงมาเนี่ยนะหลอกทําให้ตกใจแล้วนกตกลงมาเนี่ยก็เอามาถาม บอกว่านี่บอกลูกนะนะที่ถามบอกว่าในขณะที่อยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวนั้นเน่ยเธอมานาศิการอย่างไรเนี่ยบอกว่าเธอมานาศิการว่ากระดูกกองใหญ่คาบกระดูกกองเล็กแล้วเหลียวมาข้างล่างกระเห็นแก่กองกระดูกเกลือนไปหมดอันนี้แปลว่าเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นนะนะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นนมานาศิการเห็นในความเป็นกระดูกนะทีนี้ถ้าเรามามองคิดถึงเราเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นกระดูกได้เลยใช่ไหม เ, เราคิดเห็นเป็นมนสัญญาแบบนี้ได้ไหมอันนี้ถ้าท่านพรารนามาอย่างนี้จะทำให้มองเห็นว่าเขาเป็นชนกลุ่มที่เขามีปัญญาจริงๆทำให้คิดถึงว่าพระบรมศาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่บริษัทเ่าที่เอามาได้คาคาหนึ่งที่ามารู้สึกว่าสะเทือนใจคำหนึ่งคือว่า พระศาสดาผูกบุคคลทั้งหลายไว้ในฐานะพ่าเป็นบุตรของท่านพระบุตรทีนี้พอเราไปเราไปณสถานที่เหล่านี้ยพอไปเบสเซ็จเนี่ยทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยคนไม่รู้จกักพระพุทธเจ้าอันนี้น่าเสเทือนใจมากเลยเนี่ยน่าเสะเทือนใจมากเลยอคนไม่รู้จกักพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วก็สารพัดกันแย่ใหญ่เลยแล้วก็จะมองเห็นอออืื เพียงแค่ 2,500 กว่าปีเนี่ยใช่ไหมพระบรมศาสดาก็หายไปจากใจของท่านผูน้นั้นเลยและตอนนี้แล้วอยู่ในใจเราเหรอตอนนี้อยู่แล้วมั่นคงไหมดรลาดามั่นคงไห ม, มตรงนี้ก็ถ้ามานสิกาและเข้าใจก็ก็ก็ทำยังไงเราจะเดินก็หาคำสอนรพุทธเจ้าได้ เจะพูดอีกคนไม่ทันแล้วมั่งนี่ไม่ทันแล้วเนี่ยงั้นแค่นี้ก่อนดีมั้ยภาษาเต้